ที่เธอมาเปิดใจพูดคำว่ารักไม่รู้ว่าฉันทำผิดมากไหมให้เป็นเพื่อนกันต่อไปพูดว่าไม่เคยรักฉันอาจยังคิดไม่พอไม่รอ มันไม่ถูกสะแล้วฉันเสียใจฉันเพิ่งรู้ว่า คิดวังไม่เป็นอย่างวันนั้นั น, นายังคิดไม่ทรองไม่รอ้องไม่ทบทวนความจริงข้างในฉันทำโอกาสดีดีห <Hi bye. S 1> ายไปเมื่อคิดดีดีก็ได้รู้ที่ฉันทำไปมันไม่ถูกสะแล้ว ฉันเสียใจฉันทั้งรู้ว่ารักเธอ ที่